ชัยะปริตังมาหากรุณิโกนาทโทหิตายสัพพานินางอุเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัตเชนะโหตุเตชัยมังขลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโน เอวังตะวังวิเชโยหิชยัสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเซปัทวิโปคะเรอภิเซเกสัพพพุทธานังอัค ป, ปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุปภพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุตโตจะสุยิตทัง พระจาริสุปักฐินังกายกัมมังวาจากัมมังปทักขินังปทักขินังมโนกัมมังปณิธีเตปทักขินาปทักฐินานิกัตตวานะัละพันตัเทปทักฐินเนภวตุสัพพมังขลังรักขันตุสัพภเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนสทาโสทีพระวันตุเต พวตุสัพพมังคลังรักขันตุส so ัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเตพวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเต